พระสุตตันตปิดกทีคขณิกายมหาวัคมหาปริิญานาสูตรข้อหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดหน้าสามร้อยี่สิบจึงเป็นพุทธโอวาทที่พระองค์ตรัสเน่นะเป็นลักษณะของคำสั่งอยู่สี่ประการด้วยกันนะซึ่งข้อความตรงนี้ก็ให้รู้แต่ว่าอยู่พระผู้มีพระภาคอยู่บนเตียงมรณะนั่นเองเนี่ยนเรียกว่าเตียงสุดท้าย เตียงที่พระองค์จะดับขันธ์ทัปปริณิพานซึ่งถือว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงถัดจากนี้ไปน่ยนะซึ่งครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสรับสั่งกับท่านพระอ น, น, นุนว่าดูก่อนอ น, นุนบางทีพวกเธอจะพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าตาพจนมีพระศาสดาล่วงแล้วพระศาสดาของเราไม่มีข้อนี้พวกเธอไม่พึงเห็นอย่างนั้น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 ที่เราแสดงไว้แล้วธรรมหรือวินัยเหล่านั้นที่เราได้บัญญัติไว้แล้วแก่พวกเธอทั้งธรรมและวินัยนั้นจักเป็นศาสดาหแห่งพวกเธอโดยการล่วงไปแห่งเราหมายก็ว่าเมื่อพร ะ, อ, ะ, พระองค์ดับขันทปปริณิพานไปแล้วธรรมวินัยทั้งมวลที่พระองค์แสดงและบัญญัติธรรมวินัยนั่นแหละเป็นองค์พระาศาสดาคาอธิบายว่า เทสิตโตปั ญ, ญตโตความว่าทั้งธรรมก็ทรงแสดงไว้แล้วและก็บัญญัติไว้แล้วทั้งพระวินัยพระองค์ก็บัญญัติไว้แล้วก็คือแต่งตั้งเอาไว้แล้วนะก็คือแสดงไว้เยอะมากฉะนั้นแปดหมื่นสี่พันระธรรมขันพระธรร ม, รรรมวินัยนั้นแหละโซโวมมัจเยนะได้แก่ธรรมและวินัยนั้นจักเป็นาศาสดาของเธอทั้งหลายโดยที่เราล่วงไป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 นะคือตอนที่พระองค์มีพระชนอยู่นั้นพระองค์ได้แสดงอุพัโตวิพังเขาวินัยคือหมายเขาว่าบัญญัติพระวินยัยทั้งพิกคุณีวิพังและภิขุวิพังอุพัโตวิพังหมายถึงภิคุณีปาติโมกและภิขุปาติโมกพร้อมทั้งคันธกะทั้งยี่สิคันธกะพร้อมทั้งบริวารสิบหกริวารแก่เธอทั้งหลายซึ่ง ทั้งอุพโตวิพังคันธกะและคัมภีบริวารหรือคัมภีปริวานเนี่ยนะปริวารเนี่ยทั้งหมดนั้นจัดไว้ด้วยอำนาจกองแห่งอาบัติเจดกองนะอาบัติเจดกองก็คือปราชิกสังขาธิเศษทุลใจนะปาจิตตีปาฏิเทสนิยะทุกกฎและทุกภาสิทธ์เรียกว่าอาบัติเจกองในอาบัติทั้งเจกองเนี่ยนะก็คือปราชิกนะสังขาธิเศษทุลใจ ปาจิตตีปารติเทศนียทุกกฎทุกภาษิตทั้งเจ็ดกองเนี่ยนะบอกว่าอบัตคือสังขารที่เศษกับปาราชิกเรียกว่าอบัตหนักอบัตถัดจากนั้นไปเรียกว่าอบัตเบาอบัตปาราชิกเนี่ยนะแก้ไขไม่ได้อบัตที่เหลือเจ็ดกองแก้ไขได้อบัตนี้ถ้าต้องด้วยอกุศลจิตอย่างเดียวเป็นโลกัตชะนะผิดเฉพาะพระวินัยบัญญัติอย่างเดียว แต่ไม่ผิดประเพณีของชาวโลกเรียกว่าปันนติวัชชาอบัตดนี้เมื่อพวกเธอทั้งหลายต้องแล้วต้องออกในสำนักของบุคคลหรือว่าอาบัตินี้ต้องออกในสำนักของหมู่คณะหรืออาบัตตอันนี้ต้องออกในสำนักของสงทั้นคำภีอุปโตวิพังคำภีขันตากะคำภีปริวารก็เพื่อจะให้รู้จักอบัตตทั้งเจ็ดกองให้รู้จักปา ร, ราชิกสี่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 โดยอาการนั้นหมายคําว่าคําสอนในพระสูตรทั้งหมดเนี่ยสาระสําคัญก็คือประกาศโพธิปัจจะธรรมนะแล้วโพธิปัจจะธรรมเหล่านั้นก็เอามาจําแนกให้ดูให้รู้อย่างนี้ว่านี้สติประฐานสี่เหล่านี้สัมมาประธานสี่เหล่านี้อิทธิบาทสี่เหล่านี้อินรียห้าเหล่านี้พละหา้าเหล่านี้โพชชงเจ็ดเหล่านี้อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองแปดนั้นโพธิปัจจะธรรมซึ่งเป็นข้อปฏิบัติ น, นะถ้าย่นย่อมาก็คือศีลสมาธิและปัญญาหรือสมถะกับวิปัสสนาเพื่อวิชาและวิมุตตเนี่ยนะสติปทานสี่สัมมาปทานสี่อิทิบาทสีอินรีห้าพละห้าโ พ, า พ, า พ, าพชองเจ็อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ด น, นะคือสาระที่สำคัญของพระสุตันตปิฎกทั้งห้านิกาย ทีทนิกายพระผู้มีพระภาคเจ้าจะสแสดงทั้งสาสิบสี่สูตรก็เพื่อให้เรานั้นเจริญโพธิปัจจยธรรมเป็นมัชฌิมนิกายประกาศไว้หนึ่งร้อยห้าสิบสองสูตรก็เพื่อสอนให้เจริญโพธิปัจจยธรรมสังยุตตนิกายเจ็ดพัน็ดร้อยกว่าสูตรเนี่ยนะก็เพื่อที่จะสอนให้เรานั้นเจริญโพธิปัจจธรรมอังคุตรนิกายทั้งเก้าพันกว่าสูตรก็เพื่อให้เจริญ โพธิปักษิธรรมคุตกรนิการทั้งสิบห้าคัมภีร์ตั้งแต่คุตตะปาทะเป็นต้นไปเนี่ยนะจนถึงจริยาปิดกหรือว่าพุทธวงศิงคัมภีร์ทั้งหมดเหล่านั้นก็สอนให้เจริญโพธิปักษิธรรมเพราะฉะนั้นอาการของพระสุดตันตปิดกพระสูตรทั้งมวลล้วนมีจุดมุ่งหมายให้เจริญโพธิปักษิธรรมธรรมที่อยู่ในฝักฝ่ายแห่งการตรัสรู้หรือธรรมที่เจริญแล้วเป็นไปเพื่อการ ตรัสรู้ไม่ว่าจะเป็นสติปทานสัมมปทานอิทิบาทอินทรีย์พล ะ, ะโพชงแล็งองมักพันพระสุด ต, ตันตปิดกทั้งหมดที่จําเนกอั น, นะไปแล้วเนี่ยนะจัดทํากิจแห่งาศาสดาของท่านทั้งหลายให้สําเร็จเพราะฉะนั้นถ้าพระสูตรยังอยู่คําสอนอยังอยู่พระาศาสดาก็ชื่อว่ายังอยู่มันแต่ละสูตรแต่ละสูตรก็เท่ากับองค์พระาศาสดาแต่ละองค์แต่ละองค์พัน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 จำแนกเป็นธาตุสัจจะอินทรีย์นะจำแนกเป็นขันหานีนะคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณจำแนกเป็นอายตนะสิบสองอายตนะภายในหและอายตนะภายนอกหกจำแนกเป็นธาตุสิบแปดก็คื อ, อวิญญาณธาตุเจ็ดน่นะธนะาตุที่เป็นรูปอีกแล้วก็ธาตุที่เป็นะนะเป็นเวทนาอ่เป็นสังขารขันนี่นะนะเป็นธรรมธาตุ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 ภาษาที่เกิดร่วมกับจักขูวิญญาณธาตุโสตขานะชีวหากายะภาษาที่เกิดร่วมกับมโนธาตุภาษาที่เกิดร่วมกับมโนวิญญาณธาตุเนี่ยนะเวทนาทั้งเจเนี่ยนะเวทนาที่เกิดร่วมกับจักขูวิญญาณโสตคานะชีวหากายะวิญญาณเวทนาที่เกิดร่วมกับมโนธาตุเวทนาที่เกิดร่วมกับมโนวิญญาณธาตุ สัญญาเจ็ดเจตนาเจ็ดก็คือสัญญาและเจตนาที่เกิดร่วมกับวิญญาณธาตุทั้งเจ็ดหรือวิญญาณธาตุทั้งเจ็ดก็หมายถึงจากขูวิญญาณโสตวิญญาณขานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุในบรรดาธรรมทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยนะมาจำแม่รวมกลุ่มเรียกว่าจิตตุบาทการเกิดขึ้นของจิต จิ ต, เ ห, จตเหล่านี้แบ่งออกเป็นกามาวจรจิตเหล่านี้เป็นรูปราวจรจิตเหล่านี้เป็นอรูปาวจรเป็นกามาวจรอันที่ห้าสิบสี่เป็นรูปราวจรสิบห้าเป็นอรูปาวจรสิบสองเท่า น, นี้นนน 12. ทั้งหมดที่กล่าวไปนี้เป็นธรรมปริยาปณะธรรมธรรมที่นับเนื่องในวตัตะธรรมเหล่านี้พ้นจากนี้เป็นธรรมที่ไม่นับเนื่องใน วัตตาก็คือโลกุตระธรรมทั้งหลายนี้เป็นโลกิยะนี้เป็นโลกุตระจำแนกเป็นพระพิธรรมพิดกเป็นคำภีเจ็ดคำภีนะเป็นอะไรเป็นพระธรรมสังคณีปกรณ์เป็นวิพังขปกรณ์เป็นธาตุกระถาเป็นกระถาวัตถุเป็นยมกะแล้วก็อนไเป็นอะไเป็นอันนัอันแรกธรรมสังคณีสองวิพังสามธาตุกถาสี่ปุคละปัญญัติ ห้ากระถาวัตถุหยมกะเจดสมันตาปัฏฐานสมันตาปัฏฐานทั้งยี่สิบี่ปัจจัยประดับด้วยมหาปัฐานทั้งกระวะปัฏฐานติกะปัฐานทุกะปัฏฐานติกะทุกะทุกะติกะติกะติกะแล้วก็ทุกะทุกะปัฏฐานซึ่งแต่ละอย่างเหล่านั้นเป็นอนันต์ในเป็นอภิธรรมปิฎกทั้งสิ้น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 ยังอยู่จึงอยู่ถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะล่วงไปแล้วก็จริงรูปเวทนาสัญญาสังขารเหล่านั้นของพระพุทธเจออ้ากรมที่พระองค์สร้างสมอบรมมาด้วยพระปุพพเจริยาคุณด้วยบุญบารมีที่สร้างสมมาตลอดสี่อสงไขยแสนกับก็เพื่อจะประกาศพระวินัยปิฎกเพื่อจะประกาศพระสุตตันตปิฎกเพื่อจะประกาศพระอภิธรรมปิฎกะนะเมื่อพระองค์ประกาศพระธรรมเหล่านั้น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 พระไตรปิฎกสรุปว่าพระพุทธวจนะนี้ทั้งหมดที่เราพาสิบบอกกล่าวแสดงแต่งตั้ ง, งเปิดเผยตั้งแต่แรกตรัสรูจ้จนถึงปรินิพานธรรมะเหล่านี้แบ่งประเภทเป็นนิกายเป็นปิฎกสามพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกอภิธรรมปิฎกแบ่งเป็นนิกายทั้งห้าทีขนิกายมัชฌิมนิกายสังยุตตนิกายอังคุตรนิกายและคุถกานิกาย ประกอบไปด้วยองค้าคือสุตตะคัยยะเวยาการณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาตกะอภูตธรรมเวทละและถ้าจำแนกโดยพระธรรมขันก็แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันนะท่าพระปิดกสามยังอยู่ภาษาสดาก็ชื่อว่าอย่างอยู่ถ้านิกายห้ายังอยู่ภาษาสดาก็ชื่อว่ายังอยู่ถ้าคําสอนอันประกอบไปด้วยองค้าอย่างอยู่ภาษาสดาก็ยังดํารงอยู่ถ้าคําสอน